เขบอกว่าบางคนเนี่ยนะถามว่าระหว่างบูชาด้วยมหาภูตรูปนะนะบูชาด้วยธาตุดินน้ําลมไฟกับบูชาด้วยกุศลจิตอันไหนจะมีบุญมากกว่ากันอันไหนจะเป็นบุญมากกว่ากันถ้าเรามาเปรียบสองส่วนเนี่ยนะถามว่าเอากุศลจิตที่เป็นศีและกุศลสมถาวิปัสนาเป็นต้นเป็นพุทธบูชาถ้าเปรียบกับมหาภูตรูปทั้งหลายดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าสรนเสริญเช่นใดมากกว่าการพระองค์สรรเสริญการปฏิบัติบูชามากกว่าเนี่ยนะมันบูชาด้วยกุศลจิตนั้นจึงเป็นการบูชาที่ประณีตประณีตกว่าบูชาด้วยธาตุดินน้ำไฟลมนะประณีตกว่าการบูชาด้วยมหาภูตรูปทั้งหลายอันก็บูชาด้วยกุศลจิตถ้ากุศลจิตยานวิปยุทธก็ได้บุญน้อยกว่ายานสัมปยุทธถ้าบูชาด้วยกุศลัศนก็ได้บุญน้อยกว่าบูชาด้วย สมถะทั้งหลายถ้าบูชาด้วยเมตตาเป็นต้นก็มีผลน้อยมากกว่าการเจริญอนุปัสนาเป็นต้นนั้นพระองค <ys> ์สรรเสริญการปฏิบัติบูชาถ้าบูชาด้วยโลกิยะบูชาก็ไม่ได้มีผลมากเท่ากับโลกุตระบูชาถ้าบูชดาช ด, ด้วยโซดาปฏิมาก็ได้บุญ น, น้อยกว่าสกะทาคามีมักเป็นต้นเพราะการบูชาพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระองค์ต้องการจริงๆก็คือการปฏิบัติตามคําสอน ถ้าตรัสรู้ทำเป็นที่พ้นทุกข์นั่นแหละจึงจะเป็นการบูชาพระองค์อย่างแท้จริงเพราะว่าพระองค์บำเพ็ญบารมีมาก็ไม่ได้ต้องการ อ, อาหมิดบูชาแต่ต้องการปฏบบิบัติบูชาจากสาวกทั้งหลายเพราะว่าการบูชาของสาวกทั้งหลายด้วยการปฏิบัตินั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์จะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเป็นไปเพื่อความสุขแก่เหล่าผู้ที่ปฏิบัติบูบบชาแต่ว่าถ้าหากว่า ขีดความสามารถน้อยทำได้แค่อามิดบูชาก็ไม่ว่ากันนะเพราะมันทำกว่านั้นไม่ได้ปัญญามันน้อยเนี่ยนะเก็บดอกบวบขมไปบูชาพอทำได้อย่างงี้ยนะแต่ว่าไอ้เกินกว่านั้นทำไม่ได้ก็ไม่ว่ากันแหละแต่ถ้าสามารถทำในสิ่งที่ดีละเอียดประนีตก็ควรในทำสิ่งที่ประนีตนะมันก่อนก็คุยกันว่าถ้าเราจะเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์อยากเห็นเราเป็นแบบไหน น, นะพระองค์จะอนุโมทนากับเราไหมพระองค์บอก mm hmm. เธอเนี่ยทำดีแล้วอนุโมทนานะหรือสิ่งที่เราทำบอกแหมกรุณาเลิเกินเนี่ยทำอะไรกันแน่เนี่ยนะต้องพยายามระลึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เสมอว่าพระองค์มองเราอย่างไรนะพระพุทธเจ้ากาลังมองเราว่าอย่างไรแล้วเรากำลังทำอะไรตามที่พระองค์ต้องประสงค์หรือไม่เนี่ยนะเราทำเพื่อเอาใจเราหรือว่าทำเพื่อเอาใจพระพุทธเจ้า แต่ถ้าเป็นสาวกพญามารเชื่อจิตนะนะถ้าเป็นสาวกพระพุทธเจ้าฟังคำสอนว่าพระพุทธเจ้าบอกกล่าวแนะนำเราว่าอย่างไรพันสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญว่าพราะองค์ประสงค์อะไรพระองค์ต้องการอะไรพระองค์บอกเราว่าอย่างไรแล้วเราทำตามได้ไหมถ้าทำตามไม่ได้ทำอย่างไรจึงจะทำตามได้ทำอย่างไรจึงจะปฏิบัติตามคาสอนให้มากที่สุดให้บ่อยที่สุดให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทาได้ เพราะนั้นเราต้องเป็นผู้ที่โอนไปตามพระรัตนตรายโอนไปหาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ให้พระพุทธเจ้าโอนมาหาเราเราต้องโอนไปตามคำสอนไม่ใช่ให้คำสอนโอนมาหาเราเราต้องโอนไปตามความปฏิบัติดีของพระอริยส า, าวก <โ frustrating. S 1> ทั้งหลายไม่ใช่ให้พระอริยส า, าวกโอนมาตามเราเพราะนั้นเราก็พยายามโอนไปเหมือนอย่างว่า ไม่มีน้ำทะเลสายไหนที่โอนมาหาบ่อน้ำน้อยมีแต่แม่น้ำน้อยๆท่านั้นแหละที่ไหลไปสู่น้ำทะเลฉันใดพระนิพพานนั้นจะไม่ไหลามาหาคนปฏิบัติธรรมดาแต่ผู้ที่ปฏิบัติทั่วไปจะต้องไหลไปหาพระนิพพานพระพุทธเจ้าผู้ที่ตรัสรู้นิพพานบอกข้อปฏิบัติเพื่อให้ตรัสรู้พระนิพพานทำอย่างไรเราจะปฏิบัติตามได้เยอะได้บ่อยและ ได้มากกุศลธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องบูชาดีที่สุดเนี่ยนะเพราะว่าการบูชาด้วยอมิตรหรือบูชาด้วยวัตถุนี่มันเหน็ดเหนื่อยนะถือว่าเหนื่อยมากภาระมากปัญหามากเรื่องมากยุ่งมากในที่สุดก็ทะเลาะกันด้วยเนี่ยนะในที่สุดมีเมตตาต่อกันดีๆหนักๆเข้าก็มองหน้ากันไม่ค่อยติดไร้เมตตานะพอมานั่งอ ก็ไอเครื่องสั ก, การะบูชาพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่ามองหนะ้ากันไม่ติดซึ่งต่างคนก็ต่างว่าบูชาพระพุทธเจ้าแต่เปลี่ยนแต่คนวางแค่นั้นก็เดือดรอ้อนนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอ ม, มิตรเรื่องของวัตถุมันก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นทํำยังไงล้วว่ามาเน้นบูชาซึ่งใครพอทําอะไรได้ก็ทําไปเถอะแต่ที่สําคัญว่าอย่าลืมว่าพระองค์มองเราอย่างไรเราจะทําอย่างไรจรึงจะเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าในส่วนที่พระองค์พอใจอย่างนั้นค่ะ นะว่าพ ร, พระใจของพระองค์เนี่ยมาตรถานอยู่แล้วไม่เป็นใจที่เอียงไปหาราคาไม่เป็นใจที่กำเริบด้วยโทสะเป็นใจที่บริสุทธิ์เนี่ยนะแล้วพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญามันถ้าเราจะบูชาผู้ที่มีปัญญารอบรู้ทุกประการเนี่ยเราจะทำอย่างไรเพราะถ้าเราทำได้เท่าไหร่นั่นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เราเท่านั้นจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาในที่สุดเราก็ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าได้ เพราะเราโอนไปหาพระองค์ติดตามไปตามพระองค์ไปพูดถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะที่กรุงที่ออกบวชทมทุกขะกิริยาพระตถาคตก็ประทับนั่งนะโคนต้นอชะปาละนิโครตเนี่ยนะต้นไสรเนี่ยเยอะเนี่ยนะโดยเฉพาะที่เขาเชื่อกันว่าที่ที่พระองค์ นั่งอยู่ที่ต้นอาชาปาละนิโครโดริใกล้ๆฝั่งแม่น้ําเนรัญชารานั้นก็มีต้นทรก็นั่งมันก็ร่มเย็นเหมือนกันนะนนก็ร่มเย็นก็สบายดีไปนั่งก็ลมโชยเย็นสบายเลยแหละพระองค์ก็รับข้าวมะทุ ป, ปาญาติะที่นั้นเสร็จแล้วก็ไปยังแม่น้ําเนรัญชาราไปลอยถาดพระชินเจ้าพระองค์นั้นเสวยข้าวมะทุปาญาตที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชาราเสด็จดําเนินไปตามหนทางอันดีที่เขาจัดแต่งไว้แล้วที่โคนโพพฤกษ แสดงว่าข้อความตรงนี้มีความสำคัญมากพระองค์เล่าให้ฟังอยู่ตั้งเกือบยี่สิบกว่าครั้งเนี่ยว่าเดินทางจากตรงนั้นออไปสู่ตรงนัน้นต้องสำคัญมากเลยไอ้ระหว่างทำทุกขกกิริยานี้แสดงว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าพระองค์คิดอะไรหกปีก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะซึ่งก็พูดไปแต่ก็พยายามระลึกถึงพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยนะว่าเดี๋ยว ปรือนี้ไปว่าจะไปทําอะไรดีจะไปตรึกอะไรดีถ้าไปแล้วฉลาดเท่าสครั้งก่อนนี่ถือว่าเสียหายนีะจะต้องมากกว่าเดิมแล้วจะต้องไปเข้าใจกว่าเดิมถ้าไปถึงก็เออเนี่ยก็ต้นไม้เนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเราก็มาเห็นต้นไม้ต้นนี้แหละเดือนนี้มาก็มาดูต้นไม้ต้นนี้เอ๊มันฉลาดอะไรเนี่ยนะลงทุนมากมายเพื่อจะมาดูต้นไม้ต้นเดียวเอะมันเท่านี้หรือเพื่อมาดูฝุ่นใช่ไหมเพื่อมาดูต้นหญ้าใช่ไหมเพื่อมาดูแม่น้ําที่มันตื้นแค่ศอกเดียวหรือ มันแค่นี้หรือนะนะเราก็ไม่อย่างนั้นเราก็ไม่ได้อะไรหรือมานั่งถ้าไปบางเส้นทางก็เพื่อมานั่งหนอนขรุขระอย่างนี้หรือมันก็ความเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญว่าแต่ละครั้งที่ไปความเข้าใจถ้าไม่เพิ่มเสียหายเนี่ยนะถือว่าเสียหายถ้าฉลาดเท่าเดิมก็แปลว่าปัญญานี่ถอยลงไปเยอะแล้วเนี่ยนะถ้าฉลาดเท่าเดิมคิดได้เท่าเดิมไปถึงก็กราบเท่าเดิมก็ก้มกราบซะที่นี่ให้เสร็จไปเลยอย่างนั้นเพราะนั้นก็ควรที่จะต้องเข้าไปความรู้ได้ความเข้าใจ เพิ่มเติมอย่างไรเตรียมอะไรไปบูชาพระพุทธเจ้าเหล่านั้นบ้างไม่ใช่เตรียมแต่ของเตรียมใจเนี่ยนะเตรียมบุญเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นเราก็เตรียมแต่แต่วัตถุที่ในที่สุดก็กลายเป็นขยะเนี่ยนะสมัยพุทธกาลเชื่อไหมกองขยะกองดอกไม้นเนี่ยฝันเท่านึกสมัยนี้ไม่รู้เขาไปทิ้งไว้ไหนแต่วันหนึ่งคนขนไปเยอะนะวันหนึ่งหลายร้อยกิโลเนี่ยนะถ้ารวมปัจจุบันนี้ถ้าเขาเก็บเอาไว้ก็กองโตเหมือนกัน นะกองก็ เ, เรียกว่าตอนแรกที่ยังสวยงามเขาเรียกว่ากองดอกไม้ของหอมนะแต่ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นหมดสภาพเขาเรียกกันว่ากองขยะเนี่ยนะนะเขาเรียกว่ากองขยะเพราะสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องไม่ลืมว่าไม่ใช่สิ่งที่ประณีแตแท้แน่นอนที่จริงๆมั้นเราจะเตรียมใจบูชาได้อย่างไรแต่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าของมาไม่บูชาด้วยของทั่วๆไปนะก็บูชาแต่ว่าอะไรที่จะเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปถ้าเราไปกี่ครั้งเราก็ฉลาดเท่าเดิม ถือว่าก็อย่างว่าเสียหายเรียนมาตั้งหลายปีฉลาดเท่าเดิมเนี่ยนะมันก็ถือว่าอะไรนะเสียค่าเทอมไปเท่าไหร่เสียเวลาชีวิตไปเท่าไหรแล้วเนี่ยนะวันเวลาผ่านไปไม่ล่วงภัยเปล่าก็พาเอาชีวิตของพวกเราเนี่ยไปด้วยเนี่ยนะอย่าลืมว่าเราก็ไม่ใช่กราบดินน้ำลมไฟไหว้พระพุทธเจ้าไม่ใช่ไหวธาตุดินไม่ใช่ไหว้ธาตุน้ำไม่ใช่ไหวธาตุลมไม่ใช่ไหวธาตุไฟไหว้พระพุทธเจ้าไม่ใช่ไหว้สีไหวเสียงกราบลิ่นไหว้รถกราบโพถพะเป็นต้น แต่ว่ายอารหันตคุณไหวยโลกิยะคุณโลกุตระคุณไหายพระพุทธคุณอันต่างด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นว่ายสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไหว้ความตรัสรู้ไหายข้อปฏิบัติของพระองค์เนี่ยนะกราบไหวยบูชาสิ่งเหล่านั้นมั้นก็พยายามที่จะหัวระลึกถึงพระคุณของพระองค์ที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็การบูชาด้วยดอกไม้ของหอมบูชาด้วย กายด้วยวาจาและด้วยใจนั้นก็บูชาด้วยวัตถุและบูชาด้วยการปฏิบัตินะบูชาด้วยวัตถุทานบูชาด้วยอภัยทานและบูชาด้วยพระธรรมทานนั้นะก็สามารถที่จะบูชาได้หลายประการด้วยกันแต่ที่สำคัญที่สุดว่าพระองค์อยากให้เราบูชาด้วยอะไรเราต้องมองจากมุมมองพระพุทธเจ้าลงมาเลยนะแล้วเราก็จะได้ทาตามที่พระองค์ประสงอย่างถูกต้องนี่ยนะในที่สุดถ้าเราเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าแนะนา เชื่อเธอว่าสิ่งใดที่พระองค์แนะนำนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พวกเราจริงๆนะพันเดี๋ยวก็จะไปที่แม่น้ำเนรัญชราแล้วเนี่ยนะก็นึกภาพออกอยู่แล้วมีอะไรก็มีน้ำไหลน้ำตื้นๆเขินๆมีแต่ทรายตื่นเช้ามาก็มีคนไปถ่ายอุจจาระอะไรครับมีอยู่เท่านี้มีอะไรหรอก แต่ว่าถ้าเราไม่ศึกษาพระคุณเหล่านี้ไปให้ดีเนี่ยนะไม่ศึกษาคําสอนเหล่านี้ไว้ให้ดีตะเกียกตะกายตะกายตะเกียกเพื่อไปดูดินน้ําไฟลมเนี่ยนะไปดูหยาดน้ําค้างหยดแม่แ ม, แม้อากาศต่ำกว่า20องศาแค่นั้นแนหะละมีอะไรก็ต้องเอากายเอาวาจาเอาอะไรดีทีเนี่ยนะเป็นเครื่องบูชาให้สมกับบารมีที่พระองค์บําเพ็ญมาตลอดศีะสงไข่แสนกับและเราเองก็จะได้ระลึกถึง คนที่ไปไว่ายต้นโพคนที่ไปไว่ายสังเวชนีจะสถานเชื่อไหมตอนแรกก่อนจะไปคิดถึงพระพุทธคุณค้ากลับมาคิดถึงดินน้ําไฟลมเนี่ยนะมันแปลว่าแปลว่าเสียหายมาเงินเถอะแปลว่าเสียหายมากนะไปนึกถึงสีนึกถึงเสียงแต่ไม่ค่อยนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดซึ่งไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นนะกุศลธรรมต้องประณีตยิ่งขึ้นนะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นกุศลธรรมต้องเจริญยิ่งขึ้นนั่นจึงจะเป็นความ ถูกต้องนันะพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์สำวจเสร็จที่สวจเสร็จก็ลอยถาดนะเรียกว่าจุดลอยถาดเข้าไปดูที่พระองค์ลอยถาดที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชาลาหลังจากนั้นพระองค์ก็พักกลางวันตอนเย็นๆพระองค์ก็ดําเนินไปสู่โคนโพพฤกจากนั้นพระผู้มียศยิ่งใหญ่ก็ทําประทักษิณโพที่มันทสถานอ่านยอดเยี่ยมตรัสรูณโคนโพพฤกเชว่าต้นอสัสธา พระพุทธเจ้านั้นมีพระพุทธมารดานะคืออันนี้นี่เป็นคําพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าในอดีตพระองค์พยากรณ์ว่าท่านผู้นี้คือฤาษีผู้ที่เอาดอกดอกมณดอกไม้ทิพ น, น่ะดอกมนทารพดอกประทุมดอกปริชัตตะมาจากเทวโลกมาบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้นี้ที่จะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตอีก 1,800 กัปเนี่ย จกมีพระพุทธมารดาชื่อว่าพระนางมายาพระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุดโทตนะท่านผู้นี้จะเป็นโคตมะชื่อพระโคตมะโดยโคตรพระอัครส า, าวกชื่อว่าพระโกริตะและอุปติสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่น พระผู้ท่อุปถาคชื่อว่าพระอานันทะจักบำรุงพระชินเจา้าผู้นี้พระอัครส า, าวิกาชื่อว่าพระเขมาและอุบลวันนาผู้ไม่มีอาสะวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นพอผลึกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอสัตธ h อัคราอุปทาคชื่อว่าจิตตาและหัตถ h อลาวกะอัคราอุปทายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตรา พระโคโดมพุทธเจ้าผู้มียศมีพระชนมายุร้อยปีเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะที่มาร่วมทาบุญพุทธบูชาคำว่าบูชาไม่ใช่ว่าเน้นแต่ด้วยดอกไม้ของหอมแต่ด้วยฟังธรรมและสาระคมศีลสมถาวิปัสนาเพื่อบรรุมมรผลเหล่านั้นเนี่ยนะท่านเหล่านั้นเพื่อเมื่อฟังพระดำรัสของพระอั ฐ, ฐทศีพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอผู้สแสวงหาพระคุณที่ใหญ่ เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นก็ปราบปลื้มใจว่าท่านผู้นี้เป็นหน่อผู้ทางกูลเป็นผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเพราะฉะนั้นหมื่นโลกธาตุพร้อมทั้งเทวโลกพากันโห่ร้องปรบมือหัวร่อร่าเริงประคองอัญชลีนามัสการกล่าวว่าถ้าว่าพวกเราพลาดจากพระศาสนาของพระโลกกนาตอัฏทศนี พระองค์นี้ไซอนาคตต่อไปอีกพันแปดร้อกับพวกเราจะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมเปรียบเหมือนอย่างว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามท่านนะําหรือว่าคิดว่าจะข้ามเรือเนี่ยนะพลาดเรือเที่ยวนี้แล้ว่าพลาดเรือลํานี้เที่ยวนี้ก็จะขอโดยสารเรือลําข้างหลังเนี่ยนะเรื่องลําถัดไปแบบนั้นเอถอะทำเหมือนกับว่าพลาดทำนาวา คำสอนของพระพุทธเจ้าอัฏฐทศีพระองค์นี้ก็จะขอคอยข้ามธรรมะนาวาพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมข้างหน้าฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราพลาดคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ในอนาคตพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ฉะนั้นเหมือนกัน ฝ่ายพระโพธิสัตว์พอได้รับฟังพระดำรัสพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าอัทฐทศยินดีปราบเริ่มว่าเราคือพุททางกูรผู้ที่จะตรัสรู้แล้วก็สังเวชใจว่าไม่ควรจะปล่อยบุญกุศลให้ล่วงเลยผ่านไปอธิฐานข้อวัดปฏิบัติให้ยิ่งยวดเพื่อบำเพ็ญบารมีอีกสิบบำเพ็ญบารมีทั้งสิบให้บริบูรณ์นะซึ่งพระองค์ก็ได้บาเพ็ญจนบริบูรณ์จริงๆเนี่ยนะจบจนปัจจุบัน แต่อย่างว่าการบำเพ็ญโพธิญาณของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับว่าการสร้างพลังงานแสงสว่างที่มันสว่างมากที่สุดเนี่ยนะจำต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือวัตถุดิบมากขนาดไหนจะต้องสร้างบุญกุศลขนาดไหนจึงจะได้พลังคือปัญญาที่สว่างสวัยขนาดนั้นเนี่ยนะ พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัศนศีนี่นะผู้สแสวงหาพระคุณที่ยิ่งใหญ่นะคือสแสวงหาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุติยานทัสนะนะสแสวงหาการทําลายวัตจักรสแสวงหาการทําลายสาเหตุแห่งวัตจัคือทําลายมิจฉาทิฐิมานะตันหาเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็สแสวงหาโพธิปักจิยธรรมสแสวงหาอมตะธรรมพระองค์นั้นเนี่ยเมืองเป็นที่เกิดของพระองค์ชื่อว่าเมืองโสพณนะ พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสาครนพระเจ้าสาคระก็คือพระเจ้าทะเลนะพระเจ้าสาคนนะแปลว่าไม่ใช่หม้ความว่าเข็มแต่ไม้ความว่ากว้างใหญ่พระชนนีมีมีพระนามว่าพระนางสุทัศนาเพราะว่าควรแก่การดูนะเพราะมีมีความงามส่วนพระองค์นั้นครองคารวาตวิสัยอยู่ประมาณหมื่นปีมีปราศาสตชั้นยอดอยู่สามหลังชื่อว่าอมรคิรีแสดงว่า ปราสาทใหญ่มากเลยนะที่เรียกว่าภูเขาเลยแหละอ ม, มาราคิริสุรคิรีและคิริวาหณะมีพระสนมนารีที่นางฟอนนักฟอนคอยดูแลโปรนิบัติรับใช้ประมาณส 3,000 นามพันนางมีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางวิสาขาพระโอรสของพระองค์ชื่อว่าพระเสละพระชินเจ้าพระองค์นั้น เห็นนิมิตเสภประการออกอภิเนศกรมด้วยยานคือมาตั้งความเพียรแปดเดือนทุวนพระมหาวีระอัถทัศีผู้มีพระย์ยิ่งใหญ่ผู้องอาจพระองค์นั้นพระองค์ผู้องอาจในหมู่นรชนอันเท้ามหาพรมอาราธนาแล้วพระองค์ก็ประกาศพระธรรมจักที่อนโนมราชุทยานพระอัถทัศีพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้แสวงหาพระคุณที่ใหญ่ มีอัคราสาวกชื่อว่าพระสันตะและพระอุปสันตะพระพุทธอุปถาชื่อว่าพระอภยะอัคราสาวิกาชื่อว่าพระธรรมมาและสุธรรมมาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าต้นจำปกะอัคราอุปถากชื่อว่าณกุละและนิสภะอัคราอุปถายิกาชื่อว่ามักกีลาและสุนันทาพระพุทธเจ้าผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอพระองค์นั้น สูงแปดสิบศอก ง, งามเหมือนพญาสาลพฤึกบริบูรณ์เหมือนดวงจันทร์รัศมีตามปกติของพระองค์เนี่ยหลายร้อยโกรธแผ่ประโยชน์หนึ่งทั้งสิบทิศทั้งเบื้องบนเบื้องล่างทุกเมื่อพระพุทธเจ้าผู้ล้ำเลิศในนรชนเป็นมุนียอดของสัพพสัตถ์ผู้มีจักสุดำรงอยู่ในโลกแสนปีพระอัฏฐาทศีพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแสดงพระรัศมีอันหาอะไรเปรียบไม่ได้ เจิดจ้าในโลกพร้อมทั้งเทวโลก น, นะเปล่งรัศมีที่แสงสว่างอันโอฬารกว้างใหญ่เสร็จแล้วก็ถึงความไม่เที่ยงเนี่ยนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเนี่ยนะอันนี้จาวตาสังขาราสังขารทั้งหลายว่างเปล่าแท้หนาเนี่ยนะอันนึกถึงไปประทักสินที่มากุฏพันธนะเจดีที่ประชุมพระเพลิงเนี่ยนะ ที่อื่นก็ประทักสินว่าอิติปิโสภควาอารังสัมมาหรือว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าไปประทักสินที่ที่พระองค์ปรินิพานก็บอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเน อ, อนะเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปนันะความที่สังขารเกิดแล้วเสื่อมไปความสงบประงับสังขารได้เป็นสุข น, นี่นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าถึงความสุขที่แท้จริงแล้ว พอสังขารทั้งหลายก็ไม่เที่ยงอย่างนี้แหละพระองค์ก็ดับขันทะปริณิพานสิ้นอุปาทานแปลว่าตัดความยื่อใหญ่อาัยอาวอนในขันห้าโดยสิ้นเชิงนันะไม่มีอาไยอาวอนในอุปาทานขันห้าโดยประการทั้งปวงสิ้นความยึดถือว่าขันห้าเป็นของสุขเป็นของยั่งยืนเป็นอัตตาเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาตัดอุปาทานปริณิพานเหมือนดวงไฟดับ เพราะสิ้นเชื้อฉะนั้นเขาเรียกว่าเพลิงดวงไฟจะสว่างสวัยใหญ่ขนาดไหนถ้าสิ้นเชื้อไฟเหล่านั้นก็ดับไปปัญญาคุณของพระองค์เป็นต้นถ้าสิ้นรูปที่เป็นวัตถุเป็นอารมณ์ของเมื่อสิ้นรูปก็เป็นอันสิ้นเวทนาเมื่อสิ้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะประดิษฐานที่ไหนเพราะฉะนั้นก็ดับโดยไม่มีส่วนเหลือ พระชินวรอัตถทศีพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จดับขันธปริวิหารณระวิหารชื่อว่าอโนมารามพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ก็แผ่กระจายไปเป็นส่วนๆในประเทศนั้นๆเนี่ยนะให้สรีระของพระองค์เนี่ยกระจายเพราะว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็จะได้ไหว้โดยทุ่นทั่วกันเนี่ยนะแล้วก็เป็น อะไรเป็นบุญเป็นวาสนาของเขาเหล่านั้นต่อไปในอนาคตเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็มีพระบรมธาตุของพระองค์เนี่ยแผ่กระจายเนีย่ยนะมากมายหลายหนหลายแห่งส่วนในมัุรวดาวิลาสีอัฏกถาพันน า, นาวงของพระอัฏฐทศรีพุทธเจ้าที่ส4 กล่าวว่าเมื่อพระปิยทัศ ส, สีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ ป, ปรินิพานไปแล้วศาสนาคำสอนที่ประกอบด้วยอธิศีนอธิ จ, จิตอธิปัญญาของพระองค์ก็อันตรทานเสื่อมไปนั้นข้อปฏิบัติเพื่อแนะนำให้รักษาศีลอบรมสมถาวิปัสสนาเพื่อบรรลุอริยมรรค ก, ก็หายไปจากโลกเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุนับประมาณไม่ได้เจริญแล้วก็เสื่อมลงโดยลาดับนะ แกเรว่าตั้งแต่อายุน้อยแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ล้อยลงไปจนเหลืออายุประมาณแสนปีก็มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฐถฐทศีผู้เห็นอัดอย่างยิ่งก็อุบัติขึ้นในโลกอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งเนี่ยนะในกับเดียวกันเนี่ยอย่างเร็วที่สุดก็แผ่นดินหนาะประมาณ20กิโลเนี่ยนะอย่างเร็วกันนะอย่างเร็วก็ประมาณนั้น พระองค์บำเพ็ญบารมีนะหลังจากที่พระองค์บำเพ็ญบารมีในอดีตและก็เหตุตอนหลังก็บำเพ็ญบารมีคล้ายกับพระเวสสันดรบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากดุสิตก็ถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางสุทัศนะเทวีอัครมเหสีในราชสกุลของพระเจ้าสาขระกรงโสภณเมืองที่งดงามอย่างยิ่ง พระโพธิสัตว์เจ้าก็ดำรงอยู่ในขันสิบเดือนประสูตรจากพระรันพระชนนีณสุจินทนะราชทยานพอพระมหาบุรุษประสูตรจากพระขันพระชนนีเจ้าของทรัพย์ทั้งหลายก็ได้ก็พากันได้ขุมทรัพย์ใหญ่ที่ฝังกันไว้นานๆนสืบสื บ, สบตระกูลกันมาเรียกว่าเจ้าของมรดกทั้งหลายที่ปู่ย่าตาทวดสั่งสมเอาไวใ้ให้ก็ได้รับมรดกกันท้วนทั่วกัน เพราะเหตุนั้นในวันรับพระนามของพระองค์พระชนกชนนีจึงเฉลิมพระนามว่าอัฏฐทศีผู้เห็นอัฏฐเนี่ยนะหรือผู้เห็นประโยชน์นะฮ ะ, ะพระองค์นั้นทรงครอบครองคารวาสวิสัยอยู่ประมาณหมื่นปีมีปราสาทสามหลังแต่ละหลังที่มีกลิ่นหอมอย่างยิ่งชื่อว่าอมาระคิรีสุระสุระคิรีและคิริวาหณนะมีพระสนมนารีศาหมื่นสาพนางมีพระนางวิสาขาเป็นประมุก เมื่อพระโอรสพนาว่าเสรลักุมารโอรสของพนางวิสาขาเทวีสมภพคือประสูทธ์พระโพธิสัตว์ก็เห็นนิมิตคือคนแก่คนป่วยคนตายเห็นนักบวชก็ขึ้นพยา ม, มาชื่อวสุทัศนสนเสรจออกมหาพิเนสกรมคือการออกผนวดมนุษย์ก้าโกรธก็บวชตามเสด็จพระมหาบุรุษนั้นอันมันประชิดเหล่านั้นแวดล้อมแล้วบำเพ็ญทุกรกิริยาเออขออภยัยบำเพ็ญเพียร ประธานรวบรวมคุณธรรมเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า8ดเดือนในวันวิสาขะปุรีนะวันเพ็ญเดือน6พระองค์ก็เสวยข้าวมาทุ ป, ปายาที่มหาชนนํามาเป็นเครื่องสังเวยนางนาคชื่อว่าสุจินทรานางนาคคนนี้เป็นพญานาคนะเป็นพญานาคที่เคารพบูชาของเหล่ามนุษย์ทั้งหลายเขาก็เอาข้าวมาทุ ป, ปายาขไปบูชานางพญานาคนไว่านาง เรียกว่านางพญาพญาน้าก็คือนางพญางูนั่นแหละนางนาคที่มีเรือนร่างทุกส่วนอันมหาชนเห็นอยู่ก็แปลว่าเป็นในรเมศจำแรงเป็นนางนาควิกาก็คือนางสาวนาคเหมืนกันก็เอาเรียกว่าสาวนาคนะก็เอาอาหารเนี่ยพร้อมด้วยถาดทองพระองค์ก็พักยับยังณนะสวนสารรุ่นที่ประดับไปด้วยต้นไม้รุ่นสิต้น แสดงว่าเป็นต้นไม้กลุ่มต้นไม้10บต้นแต่ว่าต้นที่ใหญ่ก็สงบร่มเย็นดีเวลาเย็นพระองค์ก็ทรงรับญา8กรรมที่พญานาคชื่อว่ามหารุจิผู้ชอบใจธรรมถวายานะรุจิแปลว่าชอบใจนะชอบใจพญานาคคนนี้เป็นผู้ชอบใจในธรรมก็เลยเอาบูเอาย่าเนี่ยมาบูชาพระพุทธเจ้า เสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปยังโพพฤกษ์ชื่อว่าต้นจำปะกะต้นจำปานะไม่รู้ว่าจำปาซ้ายพันธ์เดียวกับพวกเราหรือเปล่าไม่ทราบะนะจำจำปาลาวนะใช่หรือเปล่าไม่ทราบะนะพระองค์ก็ทรงลาสันทัน์อ่านะกว้าง53ศอกประทับนั่งขัสมาที่บรรลุพระสัมโพธิญาณ น, นะก็ด้วยวิชาสามพระองค์ก็เปล่งบูทานว่าอเนกชาติสังสารังเป็นต้น ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ประพฤติกันมาคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นเมื่อบรรลุธรรมแล้วจะเปล่งปรถมพุทธอุทานหลังจิตจากที่การตรัสรู้ว่าอเนกชาติสังสารังสรรคาวิสัง น, นิพิสังเป็นต้นนั่นเองพระองค์ก็ยับยังย้งเสวยวิมุตติสุขและพิจารณาธรรมอยู่ ใ, นในพพกล้โพลพฤกษเจวันเจ็ดสัปดาหนะ์สัปดาห์ที่เพระองคอ์สัปดาห์ที่8พระองค์ก็รับอาราธนาแสดงธรรม ที่เท้ามาหาพรหมมาแสดงธรรมพระองค์ก็เห็นหมู่ภิกษุใหม่เก้าโกธที่บวชมาพร้อมกับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สามารถแทงตลอดอริยธรรมได้คือพระองค์สอนอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาที่ชําแรกออกจากวัตทุกข์เขาสามารถปฏิบัติตามตรัสรู้อริยสัจได้พระองค์ก็เสด็จไปทางอากาศลงที่อโนมาราชอุทยานใกล้อโนมานาคร อันภิกษุเหล่านั้นเวทล้อมแล้วพระองค์ก็ประกาศพระธรรมจักณนะที่นั้นครั้งนั้นธรรมมาพิสมัยการตรัสรู้อริยสัจก็ได้มีแก่สัตว์จํานวนแสนโกด ต, ต่อมาอีกเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้นําโลกเสด็จจาริกไปในเทวโลกนะพระองค์ก็แสดงคำโปรดณนะที่นั้นอภิสมัยครั้งที่2ก็ได้มีแก่สัตว์ประมาณแสนโกดก็แสดงตอนที่พระองค์แสดงย ม, มะกะปาติหารมีผู้บรรลุ ป, ประมาณแสนโกด ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าอัฏฐทศีเสด็จเข้าไปยังกรุงโสมณะเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเสด็จไปยังกรุงกบิลพัฒน์แสดงคำโปรดพุทธบิดาหรือโปรดพระปยุรยาธรรมมาพิสมัยก็ได้มีแก่สัตว์ประมาณแสนโกดนะก็พุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ประกาศอะไรบ้างพระเวสส์เนื้อหาคล้ายกับพระเวสสันดรชาดกเนื้อหาที่เป็นพุทธวงศจริยาปิดกเป็นต้นนั่นเองก็มีผู้ตรัสรู้ประมาณแสนโกด พระฉะนั้นพระองค์จึงตรัสให้พระสารีบุตรฟังเป็นคาถาว่าในวรกับเนี่ยนะ ก, กับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น3มองค์นั่นเองพระอัฏฐทัศน์พุทธเจ้าผู้มีพระยศยิ่งใหญ่ก็ทรงกําจัดความมืดคืออวิชามไม่รู้ในฐานะ8ประการบรรลุโพธิญาณอันสูงสุดพระองค์อันเทา้ามหาพรหมอาราธนาแล้วก็ประกาศพระธรรมจักรยังเหมื่นโลกกระถาพร้อมทั้งเทวลโลกให้อิ่มด้วยอมตะธรรม พระโลกนาถพระองค์นั้นมีอภิสมัยการตรัสรู้ใหญ่ๆสามครั้งครั้งแรกครั้งที่1มีสัตว์แสนโกรธครั้งที่สองแสนโกรธครั้งที่3ก็แสนโกรธได้ยินว่าในสุจันทกะนครเนี่ยนะพระสันตราชโอรสและอุปสรรตะบุตรปุโรหิตไม่เห็นสาระในคัมภีไตรเพศและลัทธิสมัยอื่นทุกอย่าง คือเขาก็เรียนว่าเอ๊จุดจบของแต่ละวิชานี่มันอยู่ที่ไหนอย่างสมมุติว่าอย่างพระโพธิสัตว์มีอยู่ชาติหนึ่งพระองค์ไปเรียนวิชายิงธนูเป็นนักแม่นธนูมากเลยนะยิงอย่างแม่นยำ ม, มากเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าวิชาอันนี้เนี่ยเบื้องต้นอยู่ที่ไหนเบื้องต้นอยู่ที่การเรียนศิละปะเมื่อเรียนศิละปะจบเบื้องต้นก็คือการเรียกว่าสู่สงครามเมื่อสู่สงครามถ้าชนะสงครามรางวัลของไชชนะสงครามก็คือเป็น เสนาบดีเป็นผู้ใหญ่เป็นเสนาบดีเป็นต้นจบนรกมั้งกันเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแต่และ ว, วิชาเนี่ยมันจบที่ไหนคือท่านเป็นผู้ที่อ่าพวกมีอุปนิสัยที่จะบรรลุอริยสัจนั้นอ่ะพวกนี้จะไม่คิดอะไรง่ายๆพวกนี้ค่อนข้างคิดยาวและคิดไกลเบื้องต้นเนี่ยตอนหนุ่มอยู่ที่ไหนตอนแก่อยู่ที่ไหนตอนใกล้าตายอยู่ที่ไหนตายไปแล้วจบลงที่ไหนอีกหลายหลายชาติต่อไปมันคืออะไร ก็มันวิชาที่ตัวเองเรียนมานี่มันได้ประโยชน์อะไรบ้างจบตรเพศเนี่ยนะผสมอักขระพยัญชนะอะไรทุกอย่างทั้งหมดหรือว่าร่ำเรียนวิชาที่มีอยู่ลัฐที่สมัยอย่างหรือในยุคนั้นเนี่ยเพราะเป็นวิชาที่ไม่ได้ส่งเสริมศีลสมาธิปัญญาอะไรเลยก็ไม่เห็นว่ามันมีสาระอะไรอย่าลืมว่าศีลเป็นเหตุให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาณนรกสมถะเป็นอุบายที่ให้พ้นจากกามาพกวิปัสสนานี่ยนะ เป็นปัจจัยให้พ้นจากภพทั้งปวงเพรา ะ, ะนั้นวิชาทั่วๆไปไม่ได้ทําให้วัตตะมันสั้นลงอะไรแต่เป็นการศึกษาเรียนรู้เพื่อขยายวัตตะเรียกว่าโครงการขยายวัตตะให้มันยืดมันยาวยิ่งๆิงขึ้นไปเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ไม่เห็นสาระเมื่อไม่เห็นสาระแต่ว่าเรียนจบแล้วนะค่อยไม่เห็นสาระแล้วไม่เรียนบอกว่าไม่รู้วีประโยชน์อะไรเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นหมนายว่ารอบรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไร ทีนี้พอรู้ว่าไม่มีสาระเข้าทําไงก็วางคนที่มีความรอบรู้และแกล้งกล้าไว้สี่คนที่ประตูทั้งสี่ของพระนครคล้คลายๆกับพระเจ้ามหากรรณาเลยนะพระเจ้ามหากรรณาเนี่ยมีความคิดแบบนี้นะมันไม่มีประโยชน์อะไรท่านคอยฟังว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกหรื อ, อยังก็จะส่งทหารทหารม้าเนี่ยสี่นายวิ่งไปสี่ทิศไปสืบข่าวดูว่า ม, มีข่าวพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกหรือ ย, อยังพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกหรือ ย, อยังเพราะนั่นคือว่าเป็น ข่าวดีที่สุดสําหรับท่านวันตอนหลังมีคนมาบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกจายค่าบอกว่าพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแสนหนึ่งแสนสมัยนั้นนะซึ่งมากมหาศาลเลยแหลพะพระธรรมอีกแสนหนึ่งพระสงฆ์อีกแสนหนึ่งพระเทวีพระนางมหังอะพระนางอะไรแม่ศรีพระนางอโนชาเนี่ยนะพระนางอโนชาเนี่ยก็บอกเลยว่ า, านางอโนชาเนี่ยใจกล้ากว่าพระพระราชาอีกเนี่ย ให้บอกพระพุทธเจ้าให้ส0 0 0สนบอกพระธรรมให้ส0 0 0สนบอกพระสงฆ์ให้อีก 300,000 วันนั้นพอ่อคาเลยไม่ต้องอะไรบอกข่าวพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกได้ล้านสองเนี่ยนะแป๊บเดียวเนี่ยนะซึ่งแล้วก็ท่านเหล่านั้นก็เก่งนะท่านท่านมีบุญมากเลยอะ่ะพอได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกอยู่ทิศใดขี่ม้าไปเลย นะเออฝากบอกพ่อค้าบอกให้สมบัติมเหสีหมดเลยนะคลองดูแลอะไรดูแลกันเองแล้วกันพระมเหสีบอกเรื่องอะไรจะกลืนน้าลายที่เขาถมไว้ให้ออกบวชตามเลยนะซึ่งท่านเหล่านั้นก็ได้ตรัสรู้อริยสัจกันหมดเนี่ยนะเป็นเอตทัคคะเนี่ยนะเป็นผู้ใหญ่พันเป็นผู้ที่มีบุญเพราะท่านเหล่านั้นเป็นเป็นผู้ที่สแสวงหาสิ่งที่พ้นจากชาติชาราและมรณะอย่างที่บอกอหลายคนเนี่ยนะถ้าเราพูดถึงประโยชน์ของ การแสวงหาปัจจัย4ี่ในโลกนี้นะพูดถึงว่าการประกอบอาชีพการทําอะไรก็ตามสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรได้อาหาร4อาหารให้เพียรพร้อมปัจจัย4บริบูรณ์นะมีเครื่องนุ่งหม่มมีอาหารมีที่อยู่อาศัยยามเจ็บไข้ไม่สบายก็มียู่ยามมีผู้ดูแลเนี่ยนะบริบูรณ์พูนสุขไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพ ท, ทั้งหลายยามใช้ใจ่ายในปัจจุบันและค่อยๆใช้ต่อไปในอนาคตอยู่อย่าง สุขสบายแต่ว่าผู้ที่มีอัธยาศัยวิวัตะเขาคิดความสุขที่ลึกกว่านั้นใหญ่กว่านั้นและกว้างกว่านั้นท่านเขาต้องการความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเอความสุขเหล่านั้นน่ะคืออะไรและมีผู้ใดบอกให้ตัวเองได้รับความสุขเหล่านั้นบ้างก็ประสงค์ที่จะพบเห็นพระพุทธเจ้าจะได้รับประโยชน์และความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะฉะนั้น อย่างพระสุจันพระสันตราชโอรสเนี่ยนะพระสันตราชพระองค์นี้ก็เลยรับสั่งให้คนเนี่ยไปคอยหาข่าวเลยนะว่าถ้าได้เห็นหรือได้ยินสมณะพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตผู้ใดมาท่านจงมาบอกเราเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเมื่อพระกกนนพุทธโลกกนาตพุทธเจ้าพระนามว่าอัถฐทธาธาศีเสด็จนะะทรงเคราะ์เวนยศา์จนถึงสุจัน ท, นทกานาครครั้งนั้นบุรุษคนเหล่านั้นก็ไปบอก นะพระสันตร า, ราชรธาโอรสอุปสันตะบุตรบรหิตก็เสด็จเข้าไปเฝ้าคือหลังจากที่ฟังข่าวการเสด็จมาของพระตถาคตก็มีใจเบร่าเริงมีบริวารพันหนึ่งไปรับเสด็จพระทศพลเนี่ยนะผู้ไม่มีผู้เสมอ พระพุทธเจ้าผู้ทรงกําลังสิบเนี่ยนะฐานาฐานญ า, านกรร ม, มวิปากยานสัพพัทธคามินีปฏิปทาญานอินทริยโปรปริยัติญาณญาณที่รู้ความเศร้ามองความผ่องแผ้วของฌานสมาธิวิโมกข์ทั้งหลายญาณที่ปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสาวกยญาณเป็นต้นพระญาณแต่ละอยา่างซึ่งยากที่จะมีผู้ใดเสมอเหมือนมันทั้งสองท่านพร้อมทั้งบริวารไปถึงถวายบังคม ตอนหลังก็ถวายมาหาทานที่ไม่มีใครเทียมเรียกว่าอาสะที่สถานเป็นทานที่เยี่ยมมากแด่พระทรงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานในวันที่เจก็ฟังธรรมกถาพร้อมด้วยผู้คนชาวนครทั้งเส้นเล่ากันมาว่าในวันนั้นบุรุษเก้าหมื่นแปดแสนพากันบวชเป็นเอหิพิขุบันปชาแล้วบรรลุพระรหัสพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง ข้ามกลางบริษัทนั้นนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่1ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อแสดงธรรมแก่พระเสระเถระโอรสของพระองค์ น, นะสง่งยางบุรุษ 88,000 ันให้เลื่อมใสให้บวชด้วยเอหีพิกุภาวะให้เขาบรรลุพระอาหารหัสต์แล้วยกปาธิโมขึ้นแสดงอันนี้เป็นสันนิบาต การประชมุมอัปผ้าอรหันครั้งที่สองต่อมาอีกเมื่อพระองค์ทรงสแสดงธรรมแก่เทวดาและมนุษย์ในวันมาคบุรมีในมหามงคลสมาคมเรียกว่าแสดงมงคลสูตรอนะก็มีสัตว์ประมาณ 7,8 0 0 0พันได้บรรลุผ้าอรหรัสแสดงว่าบรรลุอย่างอื่นไม่ได้กล่าวถึงว่า ง, งั้นคือมากมายอันนี้เป็นสันนิบาตการประชุมสาวกอรหันครั้งที่สาม ด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าพระอัฏฐทสีพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นทรงมีสันนิบาตประชมพระสาวกขีณาศพผู้พระอรหันต์ไร้มนทินมีจิตสงบคงที่สมครั้งครั้งแรก 9,8,000 ครั้งที่ 2, 8,8,000 ครั้งที่3พระสาวกขีณาศพผู้หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นด้วยอุปาทานสีผู้ไร้มนทินผู้สแสวงคุณใหญ่ 7จ0 0 0ก็ประชุมกันเป็นครั้งที่สฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเราได้ครั้งนั้นเนี่ยนะโลกสมมุติกันว่าเป็นพราหมณ์มหาสาลชื่อวสุสีมะในนครจำปะตะพระโพธิสัตว์นั้นสละสมบัติทุกอย่างสละสมบัติเหล่านั้นให้แก่คนจนคนอนาถาคนกัมพระคนเดินทางเป็นต้นแปลว่าแบ่งไปเยอะนะทำบุญไปทั่วไปหมดเลยแหละ ไปใกล้ปาหิมพานบวชเป็นดาบทยังสมาบัติแปอภินญาห้าให้เกิดขึ้นเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแสดงความไม่มีโทษและความมีโทษแห่งกุศลว่ากุศลไม่มีโทษอกุศลเป็นธรรมที่มีโทษก็แสดงกุศลกรรมมบทและอกุศลกรรมมบทวิบากของกุศลกรรมบทผลของการไม่รักษาอากุศลกรรมมบทก็แสดงกุศลธรรมเหล่านี้รอคอยการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า สมัยต่อมาเมื่อพระอัฏฐาสีพุทธเจ้าผู้นําโลกทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระองค์แน่ทรงยางฝนฝนคืออมตะนิพานให้ตกให้ตกลงณท่ามกลางบริษัทแปะคือกษัตริย์บริษัทพราหมบริษัทฤหบดีบริษัทสมณบบริษัทจ่าตุมบริษัทดาวเดืงบริษัทมารบริษัทและพรมบริษัทณกรุงสุทัศนะมหานครพระโพธิสัตว์ของเราก็ไปฟังพระธรรมของพระองค์ เสร็จแล้วก็ไปสู่สวรรค์เ น, นี่ยนะหาอะไรบูชาดีเนาะก็เลยไปสู่สวรรค์ไปนำเอาดอกไม้ทิพมีดอกมณฑา ร, รบดอกปทุมดอ ก, ป, ก ป, ปาริชัตตกะปาริชัตตกะเป็นต้นลงมาจากเทวโลกเมื่อจะสำแดงอนุภาพของตนจึงปรากฏตัวเ น, นี่ยนะปรากฏตัวให้เห็นเสร็จแล้วก็ยัง ดอกไม้ฝนดอกไม้ให้ตกลงในท่ามกลางทิศทั้ง4ี่เหมือนมหาเมฆตกในสี่ทวีปไปแล้วว่าฝนดอกไม้ก็โปรโยตกลงมาแล้วก็สร้างสิ่งที่สำเร็จด้วยดอกไม้เป็นที่มีไว้บูชาไม่ว่าจะเป็นสาระเนียรขายทองที่สำเร็จด้วยดอกไม้เป็นต้นเป็นมนดบกดอกไม้โดยโรอบบูชาพระทศพลด้วยฉัดดอก มนทาลบะนะร่มดอกไม้ทุกอย่างนี่จะเป็นดอกไม้ตกแต่งด้วยดอกไม้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าอนาคตกาตรจากเป็นพระพุทธเจ้ารพระนามว่าโคตมะด้วยผลแห่งการบูชาดอกไม้เนี่ยนะพระองค์เนี่ยจึงได้รับการบูชาด้วยดอกไม้หาที่เปรียบไม่ได้จวบอดีตมาปัจจุบันเนี่ยนะถามว่าใครมีกองดอกไม้มาให้มากที่สุดบอกว่าพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลจวบจนปัจจุบันถ้ากองเนี่ยสูงกว่าภูเขาแล้วล่ะนะ ดอกไม้ของพระ อ, องค์เนี่ยนะมากมายเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์จึงตรัสเล่าให้ภาษารีบทฟังว่าในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัศสีนั้นพระองค์เป็นเฉดินมีตะบะสูงชื่อว่าสุสีมะอันแผ่นดินคือโลกพากันสมมุติว่าเป็นผู้ประเสริฐคือคนดีเรานำดอกไม้ทิพย์คือดอกมณฑารบดอกประทมปาริฉัตตกะจากเทวโลกบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอัฏฐทศีพุทธเจ้ามหามุนีพระองค์นั้นก็พยากรณ์เราว่าผ่านไปอีก 1,800 กับท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้านะฝ่ายพระโพธิสัตว์พอได้ฟังพระดำรัสก็ร่าเริงสลดใจอธิษฐานข้อวัดปฏิบัติเพื่อบำเพ็ญบารมีสิบให้บริบูรณ์รายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐทศีนั้นพระองค์มีนครเชื่อว่าโสภณพระพุทธบิดาชื่อว่าพระเจ้าสาคระ พระพุทธมารดาชนนีพระนามว่าสุทัศนาพระอัฏฐาศีสศาสดามีอัคราสาวกข้างอัคราสาวกชั่วสันตะและอุปสันตะพระพุทธอุปถาชื่อว่าพระอภัยหรือพระอภัยอัคราสาวิกาพระธรรมมาและสุธรรมมาโพพฤกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าจำปกะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอ โปร่งในสูง8 0ศอกงามเหมือนพญาสารพฤกเต็มบริบูรณ์เหมือนพระจันท ร, ร์พะรสมีตามปกติของพระองค์ก็มีหลายร้อยโกรธแผ่ไปยังแผ่ไปโยดห น, นึ่งสทิศเนี่ยนะรัสมีของโปรองเนี่ยแผ่ไปในสิทิศทิศเบื้องสูงเบื้องต่ำเบื้องขวางทั้งหมดพระพุทธเจ้าผู้องค์อาจในนรชนเป็นมุนีโยดแห่งสรรพสัตว์ก็เนื้อสุดยอดของสรรพสัตว์ ผู้มีพระจักสุคือจักสุห้าเนี่ยนะหรือว่าย่อๆจักสุมี2ประการมังสะจักสุกับยานจักสุนะส่วนมังสะจักสุก็มีอยู่2อย่างภาาชะภาษาทจักสุและสัมภาระจักสุส่วนธรรมะนะธรรมะจักสุหรือยานาจักสุมี5อย่างเรียกว่ายานจักสุนะนะเรียกว่ายานจักสุธรรมะจักสุนนะ พุทธจักสุสมัมมตจักสุแล้วก็ทิ พ, พจักสุเนี่ยนะพระองค์ผู้มีจักสุเหล่านั้นดำรงอยู่ในโลกประมาณแสนปีเนี่ยเพระอัฏฐัสีพุทธเจ้าพระองค์นั้นแสดงพระรัศมีที่ไม่มีอะไรเทียบเจิดจ้าไปในโลกพร้อมทั้งเทวโลกก็ทรงถึงความเป็นผู้ไม่เที่ยงแท้ดับขันธปรินิพานเพราะสิ้นอุปาทานสี่เหมือนดวงไฟดับเพราะสิ้นเชือ้อฉนั้น อันพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จดับขันปริณิพานด้วยอนุปาทิเสสปริณิพานทอดทิ้งอุปาทานขันทิ้งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วไม่ถือเอาใหม่เพราะสิ้นเยื่อใอาายอาัยอวรนในขันห้าเหมือนดวงไฟที่ดับไปเพราะสิ้นเชือ้อฉะนั้นพระาธาตุของพระองค์ก็ได้ริยรายเนี่ยนะไปด้วยแรงอธิฐานของพระองค์ว่าขอให้พระาธาตุของพระองค์นั้นกระจัดกระจายเพื่อเป็นที่บูชาของ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างเช่นพระเกศาธาตุพระโลมาธาตุเทวดาในจักรวาลต่างๆก็นำไปบูชาหรือว่าแม้กระทั่งในโลกนี้หรือว่าพระทันตธาตุพระทาตธาตุพระพระทนคือฟันเนี่ยทันต์ก็คือฟันหรือพระทาถาพระเขี้ยวแก้วหรือว่าพระอัฐิธาตุเนี่ยนะพระอัฐิส่วนต่างๆตั้งแต่กระดูกพระบาทไล่มาจนถึงพระเศียรเนี่ยนะก็กระจัดกระจายไปตาม ที่ต่างๆเพื่อจะได้เป็นที่เคารพสการะบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้เขาเหล่านั้นได้ตรัสรู้ตามภายต่อไปในอนาคตเพราะเป็นบารมีเป็นบุญเป็นวาสนาในอนาคตเดี๋ยวพักสักพักก่อนนะก็ค่อยขึ้นพระพุทธเจ้าธรรมมัทธสี